บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในเวทนานุปสรนาสติปัฏฐานหรือการตั้งสติตามระลึกถึงเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆเป็นหลักที่จะเกิดขึ้นแก่บคคลทั้งหลายตลอดไป พระเบธนาปรากฏทั้งในชั้นชีวิตประจำวันและในชั้นของสุดยอดแห่งพัฒนาการทางจิตคือแก่พระอราหันต์ทั้งหลายข้อ น, นี้จะพบว่าพระริยเจ้าบางท่านที่บรรลุอรหันต์เป็นพระอราหันต์แล้วท่านมาระลึกเทียบเคียงถึงสภาพชีวิตของท่านในสมัยคารวะ กับในขณะนั้นเมื่อมองเห็นความแตกต่างกันก็จะแสดงลักษณะความรู้สึกที่ท่านเรียกว่าธรรมปีติคือความเอบอบิ่มที่ปรารกธรรมอาศัยธรรมสร้างให้บังเกิดขึ้นเปล่งวาจาว่าอาโหสุขังอโหสุขขังซึ่งแปลว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอ้อนนี้เคยมีพระเถระอดิต ราชาสองท่านคื อ, คอพระมหากัปปินะและพระภัตยเทระหลังจากมนุอรหัตแล้วจะนั่งในที่ใดก็มักจะเปล่งถ้อยคาเช่นนั้นขึ้นมาก่อนเสมออันเป็นการแสดงเห็นได้ว่าสุขเวทนาปรากฏขึ้นเต็มที่ภายในจิตใจของท่านและเป็นสุขเวทนาชนิดที่เรียกว่านิรามิรสุขเวทนา คือสุขเวทนาที่ไม่เจอด้วยวัตถุเป็นเครื่องล่อเหตุปัจจัยภายนอกแต่ประการใดแต่ประรบธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความดับกิเลสและดับทุกข์ดังนั้นเมื่อเวทนาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตคนอยู่ตลอดไปเช่นนี้ในชั้นของการปฏิบัติแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงสิ่งที่เรียกว่าอุบายะอุปายะ เป็นวิธีที่จะขจัดเวทนาอันไม่พึงปรารถนาเสริมสร้างรักษาเวทนาที่พึงปรารถนาให้ดํารงคงอยู่ซึ่งในกรณีนั้นเราทรงแสดงไว้ตามสมควรแก่ขั้นตอนที่บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติได้บางขั้นบางตอนก็เป็นลักษณะของกรรมฐานดังที่กล่าวแล้วแต่บางขั้นบางตอนก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้เกิดความสงบเกิดความรู้ขึ้นซึ่งก็หมายสความว่าเมื่ออาศัยเหตุปัจจัยเหล่านั้นทำให้จิตใจของบุคคลโนม้มน้อมเข้าหาความสงบและความรู้สูงขึ้นอย่างในกรณีหนึ่งทรงแสดงลักษณะทางอารมณ์ที่สอนให้บุคคลเพียรพยายามเสริมสร้างในส่วนที่เป็นสุขเวทนาเอาไว้ ให้ตนสามารถเสวยสุขเวทนาอยู่ได้ น, น, นานๆซึ่งเป็นการปฏิบัติที่อาศัยสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งแลลึกรู้ถึงอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันและปฏิบัติไปให้สมควรแก่กรณีนั้นๆข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าเวทนาเป็นกระบวนการของธรรมะที่เกิดขึ้น โดยอิงอาศัยปัจจัยมาตลอดสายทั้งที่เป็นส่วนภายในคือจิตใจของบุคคลทั้งที่เป็นส่วนภายนอกคือญาตนาภายในกับภายนอกมากระทบกันจิตจิตทำหน้าที่รู้ในอารมณ์เหล่านั้นที่เรียกว่าวิญญาณการประชุมการของอายตนาภายในภายนอกวิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตท่านเรียกว่าสัมผัสคือการกระทบ พอจากนั้นก็จะเป็นรูปของเวทนาที่ทงชายคำว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยเรื่อยไปจนถึงความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมณะสัมผัสคือใจกระทบกัตธรรมอารมณ์เป็นปัจจัยอันหมายความว่าปัจจัยทั้งสองฝ่ายคือทั้งภายในและภายนอก เป็นตัวสร้างเป็นตัวทำรงเป็นตัวรักษาเวทนาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้ น, น, นเอาไว้ดังนั้นบุคคลผู้ฉลาดสามารถอาจที่จะขจัดเวทนาอันไม่พึงปรารถนาออกไปด้วยวิธีการต่างๆได้และรักษาสุขเวทนาซึ่งปรากฏขึ้นให้ดำรงคงอยู่นานเท่า น, านั้น ซึ่งจะนานได้มากน้อยเพียงไหนก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนแห่งการปฏิบัติล่างสุขเวทนาเป็นเวทนาที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลายอย่างที่พระพุทธมีพระภักเจ้าทรงแสดงว่าความเอิบอิ่มในธรรมทำให้บุคคลอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกเึ้น เมือนรนการระยะให้สั้นลงมาก็ทั้งในวันนี้และในวันอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเกิดขึ้นจากความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ปรากฏแก่จิตของตนในแต่ละขณะอารมณ์ที่อาจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาก็ทร ง, งสอนในขั้นของการสารวมระหวังอินทรีย์ดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอทีนี้สมมติว่าอารมณ์เหล่านั้น แค่ผ่านเข้ามาแล้วคือผ่านอินทรีย์กลับมาเป็นความรู้แล้วก็ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาอารมณ์นั้นว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขหรือทุกข์เรียกว่าเป็นการเลือกเฟ้นอารมณ์วิเคราะห์อารมณ์ที่จริงก็อาศาัยคุณสมบัติที่บุคคลใช้อยู่ในชีวิตประจาวันนั่นเองมาใช้ในการปฏิบัติธรรม ก็เหมือนกับบุคคลจิบของอย่างหนึ่งเพื่อจะรับประทานแต่ก่อนที่จะรับประทานลงไปก็ต้องมองดูให้เกิดความแน่ใจซะก่อนว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ร่างกายอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสู่จิตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นจิตจะต้องทําหน้าที่พิจารณาอารมณ์แนละเลือกเฟ้นอารมณ์ทําไมจึงต้องพิจารณาเพราะอารมณ์ที่ผ่านมานั้นมีทั้งดีและไม่ดี คือเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาก็ได้เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาก็ได้ในชั้นแรกต้องพิจารณาพิจารณาจนแยกได้แยกได้ก็คือเลือกเฟ้นเลือกเฟ้นเอาเฉพาะอารมณ์ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขแก่ตนซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารซึ่งมีกับข้าววางอยู่ข้างหน้าเป็นนั้นมาก ต้องมีการพิจารณาอาหารเลือกเฟ้นอาหารอันเป็นที่สบายแก่ตนผู้ปฏิบัติมองจากจุดนี้จะเห็นว่าต้องเป็นการกระทาที่ต่อเนื่องสติสัสมปชัญญะจะต้องไม่ขาดคือถ้าเกิดขาดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งอาจจะตักเอาอาหารที่สแสลงต่อโรคหรือต่อตอนเองเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาก็ได้การพิจารณาการเลือกเฟ้น อารมณ์การเลือกเฟ้นอาหารจึงต้องเป็นการกระทำที่สืบเนื่องสันใดการพิจารณาการเลือกเฟ้นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาก็ต้องเป็นการกระทำที่สืบเนื่องเช่นเดียวกันฉช น, นั้นเมื่อพิจารณาแยกแยะได้แล้วอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาก็ทําทนองจะปรุงอาหาร ก็เลือกดูอะไรที่แ ป, ปรปลอมเข้าไปในสิ่งซึ่งจะใช้ปรุงอาหารก็ดึงออกไปก่อนแล้วก็ส่วนที่สันแล้วเข้าไปใช้ปรุงอาหารรับประทานความสบายแก่ร่างกายก็บังเกิดขึ้นชั้นใดจิตใจที่มีการพิจารณาเลือกเฟ้นอารมณ์แล้วก็ตัดอารมณ์บางประการออกไปเลือกเอาอารมณ์ที่ดีเข้ามาเสวยใจก็จะได้สุขกระเวทนาเช่นเดียวกันฉะนั้น และพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่าอย่าอุ้มอารมณ์คำว่าอย่าอุ้มนั้นหมายถึงอารมณ์ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เท่านั้นเองถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขก็ต้องอุ้มเพราะอย่าลืมมากดเกณฑ์สำคัญในอารมณ์ก็ดีในธรรมะก็ดีนั้นมีกุศลธรรมะอกุศลธรรมาอยู่ตลอดคือเมื่อมีกุศลก็ต้องมีอกุศลเมื่อมีอกุศลก็ต้องมีกุศล ก็พลิกด้านหนึ่งขึ้นมาเมื่อเลือกพิจารณาเลือกเฟ้นได้แล้วอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่อุ้มคือสลัดทิ้งไปและจะต้องเป็นการสลัดทิ้งในลักษณะที่อิงอาศัยในยะของไวพจน์นิพานที่เรียกว่าอนารโยตคือต้องไม่อารยถ้ายังมีความอ า, ายัยความคงใจความผูกพันจิตจะเหนียวนึก ในที่สุดมันก็กลายมาเป็นอกุศลวิตกก็ขึ้นอยู่กับการสรืบเนึกองและการกําหนดอารมณ์ของบุคคลอาจจะสืบเนึกด้วยอํานาจของความคลายความยินดีความอะไรก็กลายเป็นการวิตกจิตใจก็ต้องร่าบร้อนประสบกุศลกเวทนาในช่วงนั้นส่วนอารมณ์อะไรที่สันแล้วเลือกแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาก็อุ้มอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ เช่นความเอืบอิ่มในธรรมจะด้วยการฟังด้วยความสงบหรือด้วยการพินิพิจารณาก็ตามจิตวิ่งเข้าสู่คันลองแห่งธรรมทีจริงมันก็เดินตามกระบวนการทั้งชุดดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นคือในกรณีเช่นในกรณีของการฟังธรรมมีเสียงซึ่งเป็นอายตนะภายนอกยี่หูซึ่งเป็นอายตนะภายใน มี ใ, ใจซึ่งทำหน้าที่รู้กลายเป็นวิญญาณก็เกิดสัมผัสเป็นโสตะสัมผัสแล้วกเกิดเวทนาขึ้นมาทีนี้ปัญหาว่าเวทนาเหล่านี้ใจไปกำหนดไว้ในลักษณะอย่างไรเพราะแม้แต่เสียงแห่งธรรมะเองถ้าใจเกิดกำหนดในรูปของปฏิฆะแล้วก็หงุดหงิดก็เบือนหน่ายก็ท้อถอยไม่ปรารถนาที่จะฟังได้แต่ถ้าใจเกิดกำหนดในรูปของธรรมะ ที่เพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนความเลื่อมใสบังเกิดขึ้นจิตก็จะแนบแน่นอยู่กับอารมณ์หล่ดนั้นก็เป็นอาการอุ้มอารมณ์ของธรรมะไว้ตลอดไปอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นความผ่องใสแห่งจิตก็ปรากฏขึ้นอย่างที่ทรงแสดงอนิสงส์ในการฟังธรรมซึ่งผู้ฟังจะต้องได้เสมอไปไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งซึ่งบางครั้งก็ได้หมดทั้งหข้อ นี่ก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดจิตระลึกอยู่ที่ธรรมะได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรโดยทรงแสดงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นมาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่ถือว่าในรูปของเป้าหมายจริงๆแต่ก่อนที่จะถึงเป้าหมายเหล่านั้นจะทําให้ผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแม้แต่เรื่องเดียวกัน ถ้าเราฟังซ้ําฟังซากพิจารณาตามไปด้วยจินตามญญายะปัญญาก็จะเจาะลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นมองเห็นความแผกเพี้ยนความตรงกันข้ามความละまいคล้ายคลึงของสิ่งต่างๆได้โดยนยิยัตวิจิตพิสดารและสามารถบรรเทาความเครือบแคลงความสงสยัยความไม่แน่ใจออกไปได้ปรับความคิดความเห็นของตนให้ถูกตรงขึ้นไปโดยลําดับ และยังไม่มีอะไรใจของบุคคลก็จะผ่องใสนั่หมายความว่าอารมณ์ในลักษณะนี้ก็อุ้ม <c oughs> เพราะทรงแสดงในชั้นของการฟังธรรมะเอาไว้ว่าการฟังธรรมะของบุคคลนั้นบางครั้งก็เหมือนเอาของวางไว้ข้างหน้าบางคนก็เหมือนวางไว้บนตักบางคนก็เหมือนใส่ไว้ที่พกด้วยในกระเป๋าซึ่งผู้ปฏิบัติจะมองเห็นภาพของการกระทำเช่นนั้นว่า มีผลแตกต่างกันเพราะเหตุแตกต่างกันคนที่วางของไว้ข้างหน้าเมื่อลุกออกไป ข, ของก็าวางอยู่ที่เดิมคนที่วางของไว้บนตักเมื่อลุกขึ้นของก็หล่นหมดแต่คนที่ใส่ไว้ในพกหรือในกระเป๋านั้นก็จะติดตามตนไปการฟังธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นแนวการสอนให้บุคคลอุ้มเฉพาะเหตุปัจจัยที่จะทาให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมา ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็ทรงสอนว่าอย่าโต้อตอบหมายความว่าจะเป็นการกระทาของบุคคลหรือการกำหนดอารมณ์ก็ตามแต่ถ้าจะมีลักษณะลามปามทางอารมณ์คือความคิดเพิ่มความกำหนัดเกิดเคืองรุ่มหลงหมเมาสูงขึ้นก็ทรงสอนว่าอย่าโต้อตอบซึ่งเป็นการยุติไว้เพียงเท่านั้นแต่ใน ทางตรงกันข้ามคือถ้าเป็นกุศลธรรมก็จะต้องมีการโต้ตอบมีการกำหนดมีการระลึกมีการพิจารณาตามข้อนี้พึงสังเกตว่าอย่างประสารีบุตตอนที่เป็นปริภาชกซึ่งฟังคำสอนที่พระอัสชิท่านสรุปเพียงสองบรรทัดเท่านั้นถ้าท่านไม่คิดในลักษณะ เชื่อมโยงอาศัยฐานความเข้าใจตอนต้นแล้วก็เชื่อมโยงก็บหาสิ่งต่างๆปัญญาความรอบรู้จนรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นที่เป็นกุศลในธรรมต้องมีการกระทาที่โต้อตอบคือคิดตามตรึกตามพิจารณาตามไปแล้วอาศัยความรู้ความเข้าใจที่เป็นฐานเดิมอยู่ก่อนกับความตึกนึกในขณะนั้น ก็จะเสริมความรู้ความเข้าใจความสงบปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลลักษณะอารมณ์ที่เป็นอกุศลอีกสายหนึ่งอีกแนทอีกชั้นหนึ่งซึ่งหมายความว่าเป็นอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ประเกิดสืบเนื่องขึ้นภายในใจเพราะลักษณะทางอารมณ์นั้นอย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าเป็นความเกิดดับที่สืบเนื่องเหมือนน้าไหลไฝสว่าง อารมณ์ที่ผ่านมาภายในจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นชั้นแรกนั้นคือสํารวมอินทรีย์หยุดแต่ถ้าไม่หยุดเข้ามาก็ไม่อุ้มถ้าท่าไม่ดีถ้าดีก็อุ้มทีนี้เมื่ออุ้มไว้แล้วก็จะต้องมีการกระทําอีกอย่างหนั้นที่เรียกว่าไม่โต้อตอบถ้าไม่ดีถ้าดีก็โต้อตอบคือจุดนึกตาม แล้วก็ทรงใช้อีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าอย่าบังหวนขวัญซึ่งก็หมายความว่าในกรณีที่ไม่ดีอย่านำมาตรึกนึกเท่านั้นเพราะถ้าตึกนึกก็กลุ่มกันใหญ่ร้อนกันใหญ่เป็นทุกเวทนากันไปใหญ่แต่ถ้าดีถ้าดีก็ต้องบังหวนขวัญคื้นำมาตรึกนึกเป็นธรรมะวิตกโกคือตรึกนึกที่ประกอบด้วยธรรมครานนี้จะเห็นได้ว่า ตัวอารมณ์ภายนอกนั้นไม่มีความสําคัญเท่ากับภายในคือใจไปเหนี่ยวนึกอารมณ์เป็นองค์มรรคทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมิจฉามรรคได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับการตรึกนึกที่จะให้เกิดเป็นทุกข์ก็ได้เกิดเป็นสุขก็ได้ถ้าสึกนึกที่ให้เกิดเป็นทุกข์มันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะคือสึกนึกด้วยความรักใคร่พอใจเลื่อนไหลไปตามอารมณ์เรื่อย จุดนึกด้วยความพยาบามจึกนึกด้วยความพิถกมันก็เป็นความจึกนึกเป็นอาการบางหวนขวัญคือกรัดกรุ่มหมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นไม่ยอมไปในที่ใดแต่อีกด้านหนึ่งของสัมมาของมิจฉาสังกัปปะคือความจึกนึกในทางผิดมันก็เป็นสัมมาสังกัปปะคือจึกนึกในทางชอบถ้าถามว่าจึกนึกอะไรก็จึกนึกอารมณ์ที่เลือกเฟ้นมาแล้วนั่นเองก็จึกนึกอยู่กับเรื่องเหล่านั้น ยิงยกตัวอย่างการเจริญกรรมฐานในแนววิปัสสนากรรมฐานที่สุดมากคือคือการบังหวนขวัญ ร, ระดับหนึ่งนำเอากุศลมาคิดมาพินิจพิจารณาดูที่เวทนาให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือดูจุดของความไม่เที่ยงดูจุดของความเป็นทุกข์ดูจุดของความแปรปรวนดูจุดของเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นก็เป็นการพูดถึงลักษณะของอารมณ์ประเภทเดียวกันแต่ว่าการกําหนดเป็นตัวการสําคัญ ที่จะให้ออกมาในรูปใดในลักษณะใดอย่างที่เคยกล่าวมาเสมอเหมือนกันว่าในแง่ของการปฏิบัตินั้นชั้นหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์อะไรพระพุทธเจ้าจะเน้นไปที่อะไรอะไรแต่พอถึงปัญญาแก่กล้ามากพอแล้วเป็นแนวของปัญญาโดยตรงก็จะมองในแนวว่าอย่างไรแต่ น, นั้นเองอารมณ์เหล่านั้นดีไม่ดีไม่สาคัญ ถ้าปริมาณของปัญญามากพอแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเหมือนกับวัสดุสิ่งของต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้คนปัญญาระดับหนึ่งชิ้งสิ่งของเหล่านั้นคนปัญญาที่สูงกว่านั้นจะนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้เพื่อวัดถูกประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนที่มีปัญญามากกว่านั้นจะนำสิ่งที่คนนั้นเอาไปใช้แล้วก็เหลือเอาไปใช้ได้อีกแล้วขึ้นอยู่กับระดับของ สติปัญญาของบุคคลดง น, นการบังหวนขวัญคือการนำธรรมะมาตรึกนึกเป็นธรรมะวิตกนั่นก็ทำให้จิตวิ่งเข้าสู่คันลองของกุศลธรรมเป็นการอาธิบายในแนวเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิตกหรือเรื่องของอะไรก็ะการเช่นในเรื่องธรรมะที่ทรงสอนในแนวเหมือนเก้าอี้นิรภัยที่ว่าอดกั้นบรรเทาขม ละอารมณ์บางประการพอมาถึงชั้นวิตกทรงชช้ว่าบันเทาอารมณ์ซึ่งก็หมายความอารมณ์ในลักษณะนั้นถ้าขืนเก็บมากรัดกลุ่มมาเร่าร้อนมาวิตกกังวลมัน ก, ก็เกิดทุกข์ก็ทรงสอนให้บันเทาแต่ตราเรียกอีกด้านหนึ่งขึ้นมามัาก็เป็นสุขเป็นสุขก็ไม่ต้องบันเทาแต่ก็ต้องพยายามควบคุมรักษาในส่วนโดดนั้นเอาไว้ ให้เดินไปให้นานที่สุดดำรงอยู่ได้นานเท่าที่สุดเท่าที่จะดำรงอยู่ได้ดังนั้นการนาธรรมะมาตรึกนึกโดยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณ์หรือนาอารมณ์ที่ผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วมาตรึกนึกพิจารณาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้จนกลายเป็นความรู้ยิ่งความเห็นจริงในอารมณ์เหล่านั้น แล้วจะเข้าใจสุขเวทนาในฐานะของเวทนาประการหนึ่งคือจะไม่ยึดไม่จิตทอนี้เป็นเพราะอะไรพระท้าพานขั้นตอนมาได้ตามลาดับจริงๆความสงบสูงขึ้นแล้วปัญญาสูงขึ้นแล้วความกาใจสิ่งต่างๆก็จะมองได้ในแง่มุมต่างๆแต่ในขณะที่สวยสุขเวทนาอยู่ก็ไม่ติดอยู่ในสุขเวทนาเหล่านั้น เพราะติดเป็นปัญหาเหมือนกันในชั้นของการปฏิบัติเนื่องจากเป็นชันทระคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งเหล่านั้นที่ในที่บางแห่งทรงอุปมาเหมือนชิ้นเนื้อที่บุคคลรับประทานแล้วก็รู้สึกอร่อยติดอกติดใจก็รับประทานเรื่อยไปซึ่งบางครั้งบางคราวในกรณีเหล่านั้นบังกอาจจะเป็นสื่อมัจจุราช ยันที่ทรงเล่าไว้เป็นนิทานเรื่องราวบุคคลว่าวางตัวหนึ่งสวยงามมากก็ไปติดใจในรถหญ้าใบไม้ที่ชาวบ้านเขาเอาน้ำพึ่งมาทาไว้แล้วก็ติดเพลินในรถอร่อยเหล่านั้นก็ถูกก็จับได้ส่นี้ก็เป็นเรื่องของการติดในอารมณ์ถ้ถาม่าเป็นเวทนาอะไรก็เป็นสุขเวทนา แต่าบใดที่ยังเป็นโลกิยะอยู่นั้นบุคคลก็จะต้องมองให้เห็นทั้งสองด้านทั้งในด้านที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องแตกดับไปแต่ในขณะเดียวกันในขั้นหนึ่งในชั้นหนึ่งก็คือการพยายามควบคุมรักษาเวทนาในลักษณะนั้นเอาไว้ถ้าอารมณ์ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของทุกข์ ทรงสอนว่าอย่าลุกโผล่คือลักษณะของอารมณ์ที่เป็นปัจจัยของทุกนั้นจะไม่เกินสูตรสี่สูตรที่ทรงแสดงในรูปรูปของอัปปมาต ธ, ธรรมคือจะต้องเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเกิดเคืองรุ่มหลุงมุมเมาสี่แนวนี้เท่านั้นเองไม่ว่าจะนับสักกี่ร้อยกี่พันก็ตามจะมีอยู่สีแนวเท่านั้น คือเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมากำหนัดก็สายโลภะขัดเคืองก็สายโทสะรุ่มหลงมัวเมาก็สายโมหะซึ่งกิเลสมันก็มีสามสายเท่านั้นอารมณ์ประเกิดขึ้นใจกำหนดอารมณ์สามแนวแต่ในที่นี้ท่านแยกออกเป็นสี่แนวเท่านั้นเองซึ่งความประมาทกับความมัวเมาก็เป็นพวกเดียวกันความลุ่มห ล, ลงกับความมัวเมาเป็นเรื่องเป็นเป็นพวกเดียวกัน แต่เมื่อจะแยกก็ได้ความรุ่มหลงนั้นแสดงว่าปัญญาน้อยความมัวเมานั้นแสดงว่าสติน้อยซึ่งก็หมายความว่าถ้าในกรณีตรงกันข้ามคือเป็นการเป็นการบรรเทาความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมวัมวเมาก็เป็นการเสริมพวกกุศลธรรมขึ้นในจุดนั้นในคลายกำหนัดก็เป็นการเสริมเนคขมวิตกขึ้น คือตึกนึกที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนออกจากการรมความขัดเคืองในด้านตรงกันข้ามก็เพิ่มเมตตาขึ้นกระจัดสายของพยาบาทออกไปความรุ่มหลงก็เสริมสร้างปัญญาขึ้นความมัวมอก็เสริมสร้างสติขึ้นก็ได้กลายเป็นธรรมะขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องลุกโรล่คือต้องจุดเปลวของธรรมะทั้งสี่จุดนั้นทั้งในด้านที่จะดึงกายจิตออกไปจาก กิเลสกามและ ว, วัตุกรรมโดยการอาศัยอารมณ์ในขณะนั้นมองให้เห็นความจริงในแง่ในมุมต่างๆคือในชั้นหนึ่งก็มองในรูปว่าอะไรดังกล่าวมองในแนวอะไรต้องอาศัยการเลือกเฟ้นอารมณ์แต่ถ้ามองอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาเท่านั้นเองอะไรนั้นไม่สาคัญแต่เรามามีปริมาณของปัญญาที่จะเรียนรู้ได้แล้วจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดทั้งอารมณ์ที่ดีและไม่ดี วันนี้พึงดูตัวอย่างปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระหัต์ทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าตัวลมไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่การใช้ปัญญาวิเคราะห์พินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นคำว่าลุกโผงถ้าเป็นอกุศลก็ไม่ลุกโผงแต่ถ้าเป็นกุศลอย่าลืมว่าในขณะที่ทรงแสดงว่ากิเลสนั้นเป็นราคะขีตุสักขิโมหคิแต่ก็ทรงแสดงว่าปัญญาโล ก, กัตสมิปัจโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมันก็เป็นไฟเหมือนกันยานก็เป็นไฟยานไฟคือยานไฟคือปัญญาแล้วไฟคือเมตตามันจะมีล่างผลานในพวกตรงกันข้ามออกไปดังนั้นถ้าหากว่าเป็นสุขเวทนาก็ให้ลุกโผงขึ้นเช่นประรบเนคขมมะความออกจากกามความหมดอาลัยหมดเยื่อใจถ่ายถอนความกำหนัดยินดีในวัตถุกรรมในกิเลสกามใจก็จึกนึกวิ่งไปในคันลองเหล่านั้น มันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นสัมมาสังกปะดังที่กล่าวแล้วก็เข้าหาองค์อริยมรรคเหมือนเดิมหรือว่าในกรณีที่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเรื่องเมื่อเราพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเป็นเมตตามันก็เสริมสร้างเมตตาของตัวเองให้กระจายจากจุดตัวเองคือจุดย่อยที่สุดแล้วไปหาจุดใกล้เคียงขยายแนวออกไปจนเป็นอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณราตนนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุข ความไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันโดยไม่มีประมาณพอในชั้นของความหลงซึ่งเราพลิกกลับเป็นปัญญาก็นํามาใช้พิณิพิจารณาเช่นเดียวกันให้เห็นแจ้งถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะถ่ายถอนจะบรนทอจะระ ง, งับจะดับในความตรงกันข้ามออกไปในชั้นของความมัวเมาลุ่มหลงเผลอเรอก็เสริมสร้างสติขึ้น ซึ่งจะเป็นสติที่ระลึกรู้เท่าทันในอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นจะพบว่า ด, ด้วยวิธีการที่ได้กล่าวมาโดยลําดับเป็นการพลิกด้านหนึ่งที่ทรงแสดงเอาไว้ในแนวของกุศลอกุศลซึ่งจะต้องเข้าใจว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเมื่อทรงแสดงกุศลต้องให้รู้วอีกด้านหนึ่งเป็นอกุศลเมื่อทรงแสดงอกุศลต้องรู้วอีกด้านหนึ่งเป็นกุศลโดยไม่จําเป็นจะต้องไปนับข้ออีกก็ได้ประเท่ากัน มีความตรงกันข้ามอยู่แล้วนี่เป็นแนวในการที่จะรักษาสุขเวทนาเอาไว้แต่เพราะปริมาณของปัญญาและสติได้เพิ่มขึ้นก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเวทนาเหล่านั้นว่าแท้ที่จริงมันก็คือเวทนาเท่านั้นเองจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือจะเป็นกลางๆงก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นใจของบุคคลก็จะไม่กำหนัดไม่ยึดไม่จิตจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับของที่ยืมเข้ามา คือเตรียมใจไว้แล้วปรเดี๋ยก็ต้องคืนแล้วก็พร้อมที่จะคืนเมื่อเจ้าของเข้ามารับคืนลักษณะที่เตรียมใจไว้ในลักษณะนั้นจะมีความรู้สึกทํานองนั้นซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเจ้าของเขาเอาคืนไปเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ในขณะที่เรายืมมาเราก็ใช้เต็มตามสติกําลังของเราก็ได้ประโยชน์ด้วยการทั้งสองฝ่ายคือใจจะไม่อะไรเสียดายเมื่อเขากลับไปแล้วจะได้ประโยชน์ในขณะที่เขายังอยู่กับเรา นี่ก็เป็นหลักปฏิบัติที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นจะต้องอาศัยรูปแบบคือพิธีรีตองในการปฏิบัติกรรมฐานมากเท่าไหรน่นักต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป